ปัญดาลูกรักทั้งหลายความจริงวันนี้ตั้งใจจะพูดเรื่องอื่นนอกจากที่เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จที่เจ้อยู่หัวแต่ก็มาพิจรารณาเห็นว่าพระบาทสมเด็จเจ้ยู่หัวทรงเป็นบุคคลตัวอย่างที่มีความสำคัญ ทั้งในการด้านปฏิบัติในเรื่องส่วนพระองค์ปฏิบัติกับปวงชนชาวไทยทั้งหมดแล้วก็ปฏิบัติกับชาวต่างประเทศแม้แต่กระทั่งศัตรูพระองค์ก็เห็นว่าเป็นมิตรไม่เคยคิดที่จะเป็นศัตรูกับใครสิร่งที่มีความสำคัญที่สุดนั่นก็คือพระองค์ทรงช่วยประชาชนด้วย ทรงช่วยชาวโลกด้วยและก็ทรงช่วยพระองค์เองได้ดีที่สุดในด้านของธรรมะสําหรับวันนี้พ่อก็จะขอนำพระราชจริยวัตรที่พระบาทสมเด็จทระเจหัวทรงมีพระจริยาประพฤติปฏิบัติในเรื่องของพระองค์ในเรื่องส่วนตัวของพระองค์นั้นพ่อไม่นํามาพูดทั้งหมด เพราะว่ามันจะเกินพอดีจะพยายามหาแต่สิ่งที่สมควรมาพูดเท่านั้นโดยเพาะ อ, อย่างยิ่งเมื่อวันที่14เมษายน2521พ่อมีโอกาสเข้าไปเฝ้าพระองค์พร้อมด้วยพนโดยเอกจิตสังขดุล และคณะของคนเปิดเผยคือบริษัทไทยออยท่านหลายเหล่านั้นได้เข้าไปเฝ้าเพื่อถวายเงินโดยเสด็จพระราชบุตรสนช่วยสมทบทุนในการสงเคราะห์บุคลคลผู้ยากจนในถิ่นธุระกันดาลซึ่งเป็นศูนย์ที่บรรดาลูกท่านหลายได้พาการปฏิบัติแล้วครบท้วนทุกคนยอมเสียสละทั้งทรัพย์สิน ยอมเสียสละเวลาการงานยอมเสียสละแม้แต่ว่างานนั้นหากว่าผู้บังคับบัญชาไม่สนับสนุนอาจจะเป็นปฏิปักษกับผู้บังคับบัญชาผู้มีอารมณ์ไม่เป็นกุศลอยู่บ้างโลกท่านหลายก็ยอมเจริญญาท่างหลายเหล่านี้เป็นความดีของโลก แล้วก็คนที่จะเป็นความดีฝังอยู่ในใจตลอดไปกว่าจะสิ้นชีวิตศูนย์นี้องค์สมเด็จพระธรรมสามิตรพระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าสังฆวัตถุศูนย์คือเป็นศูนย์ที่มีการสงเข้าคนในด้านวัตถุและกำลังใจวันนี้ลืมบอกกบดาลูกทั้งหลายไป วันที่บันทึกนี้เป็นวันที่20เมษายน2521และก็กำลังนั่งบันทึกอยู่ที่ที่กองกำกับตำตรวจตะเวนชายแดงเขต8อำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชวันนี้เราเดินทางกันจากจังหวัดกระบี่ มาถึงอำเภอทุ่ง ส, ง, สงเวลาเที่ยงเสร็จสำหรับเจริญวัดของพระบาทสมเด็จเจ้าอยหัวที่บรรดาลูก ร, รักทั้งหลายจะเพิงรับทราบรับทราบแล้วก็จงปฏิบัติตามด้วยเพราะว่าจะช่วยให้พวกเราดีก่อนที่จะพูดทังด้านธรรมะที่พระบาทสมเด็จเจ้าอยหัวทรงปฏิบัติได้ ก็ยจะขอย้อนไปถึงจริยาวัดของพระองค์พระราช จ, จริยาวัดของพระองค์นี่เราจะรู้ไม่ได้เลยว่าทรงทําอะไรบ้างวันทั้งวันพระองค์ไม่มีเวลาว่างบางวันต้องสเด็จมีพระราชภารกิจตั้งแต่เชา้ายามเย็นตอนกลางเย็นก็ตอนเวลาเย็นก็ต้องมานั่งปฏิบัติงานรับแขกกลางคืนอีก ว่าจะส่งเส้นนางสีนสได้ก็ต้องใช้เวลา24นาฬิกาผ่านไปเมื่อทรงเส้นนางสีนสแล้วหลังจากนั้นพระองค์ก็ท่งเจริญสกามฐานวันที่พ่อเข้าไปพบกับพระองค์รลวงบอกว่าเวลานี้การฟังเทพรู้สึกว่ามันฟังไม่ค่อยจบนอนฟัง ฟ, ฟังไปฟังไปฟังไปรู้สึกว่าน่าเข้าความไม่ดีในเทพนี้อยู่เคลิ้มหลับแต่ว่าพอเทพดังแกะรู้สึกตัวตื่นขึ้นแล้วก็พลิกฟังใหม่อีกหน้าหนึ่งคราวนี้ก็หลับไปเลยพระองค์ทรงติงพระองค์เองว่ารู้สึกว่าไม่ดีแต่พ่อกลับททลพระองค์ไปว่านั่นเป็นความดี เพราะว่าถ้าหลับในระหว่างการฟังธรรมชื่อว่าจิตฟังอยู่ในธรรมตลอดเวลาแล้ว ก, ก็การฟังเขาเปเพิ่มบาทีระน้อยระน้อยพอเทปหมดหน้ารู้สึกเสียงดังแก๊กก็แสดงว่านั่นไม่ได้หลับแต่ถ้าว่าจิตฟังธรรมเป็นฌานสมาบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฟังไม่ได้ยินเสียงเลยนั่นเป็นทานสี่ความจริงเรื่องนี้ดีมากฉะนั้นขอบรรดาลูกรักทุกคนจงปฏิบัติตนเยี่ย ง, งสมบัติสมเด็จก็เจ้าอยู่หัวจงอย่าอ้างว่าข้าพเจ้ามีงานมากมีภาระกิจมากไม่มีเวลาพักผ่อน ไม่มีโอกาสเอาจิตเข้าไปฝึกฝนธรรมะการนอนฟังเทพบันทึกเสียงเป็นเสียงธรรมะจะเป็นเสียงของบุคคลใดพระองค์ใดพูดก็ตามฟังได้ทุกท่านพ่อไม่หาม้ามเพราะว่าธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่ธรรมะของพระองค์นั้นนั้นเจ้าของอาจารย์นั้นๆ ถ้าเขาสอนถูกใช้ได้ทั้งหมดพ่อไม่จะมีความรู้แต่พ่อเดียวไม่ได้มีความสามารถแต่พ่เดียวแต่ความจริงพระหรือว่าอาจารย์ต่างๆที่มีความรู้ดีกว่าพอ่อปฏิบัติได้ดีกว่าพอ่อมีความสามารถดีกว่าพ่อมีอยู่การฟังของท่านนั้นๆแล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาด้วย แต่เห็นว่าสมควรเพื่อทำข้อใดควรกติยาสัยข้อเราเราก็นำไปประพฤติปฏิบัติทำข้อใดที่ไม่ตรงอกติยาสายัยเราก็เว้นเสียยากฝืนทำเพราะว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงบังคับว่าธรรมะที่พระองค์ทรงสั่งสอนมาแล้วถึงแปดหมื่นสี่พันปฐมคันจะต้องจำได้หมด แล้วว่าตอน จ, จะต้องแปลประพฤติปฏิบัติให้ได้หมดสิ่งที่องค์สมเด็จพระบรมโคดต้องการก็คือตัดสังโยชน์คือหนึ่งส ก, กายทิทิมีความรู้สึกว่าตัวเป็นเราเป็นของเราเรามีในตัวตัวมีในเราสองวิจิิจฉา สงสัยในคำสั่งสอนพระองค์สมเดชป็ะสมาาสัมพุทธเจา้าโดยที่เราไม่ได้ใช้ปัญญาไปพิจารณาคำสอนของพระองค์ให้มีความเข้าใจสามศีลับิบัติปรมาตยังมีความละเมิดในศีลไม่เคารพในศีลสี่กามฉันทะ มีความล่งหลงลุ่มหลังลุ่มหลงฝ่ายฝันในกามคุณคือพอใจในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศซึ่งมันเป็นของไม่จีรังย่างยืนไม่มีการทรงตัวหความโกรธความพยาบาทโกรธคิดประทุษร้ายพยาบาทจองล่างจองฝัน อกกรูปราคะหลงในรูปฌานเกินไปไม่ทําใจข้อตนให้ก้าวหน้าไปจากรูปฌาเนเพื่อหวังผลิพานเจ็ดอรูปราคะหลงในรูปฌานเกินไปไม่สนใจในวิปัสนาญาณให้เข้าถึงสังขารโลเกข้ายานแปดมานะถือตัวถือตนเกินไปเก้า เกอุเทจจะมีอารมณ์ฟุง้งซ่านทำจิตไม่ตรงเฉพาะพระนิพพานโดยเฉพาะและก็สิบอวิชชาความโง่ที่มีความรู้สึกว่ามนุษย์โลกเทวโลกภูมโลกเป็นของดีมีความรักในมนุษย์โลกเทวโลกและกูมโลกจิตไม่รักพระนิพพานโดยเฉพาะ นี่เป็นอนวุวาพราะธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จรัสมาสัพพุทธเจ้าที่เราจะพึงศึกษาและปฏิบัติเหนละกันได้จริงๆนั่นก็คือสัญญอสิบประการข อ, อลูกรักทุกคนลูกมีกำลังใจเป็นมาหากุศลยากที่จะหาคนอื่นเสมอเหมือนได้ แต่ว่าคำชมลงของพ่อลูกจเจริญหลถ้ามีความท่านนงตนเมื่อไรลูกคนเหลวเมื่อนั้นจึงมีความรู้สึกอยู่เสมอว่าถ้าเรายังไม่เป็นพระอรหันต์เพียงใดในเวลานั้นเรียชื่อว่าเรายังไม่เป็นคนดีเราจะพยายามเก็บความชั่วทุกอย่างที่มันขังอยู่ในจิต ทำลายให้มันตายสนิทแย่ไม่เกิดขึ้นมาเมื่อกินเลยคือความชั่วตายหมดชื่อว่าจิตว่างว่างจากความชั่วจะทรงไว้จากความดีแล้วก็จะว่างจากความทุกข์จะทรงไว้แต่เพียงความสุขอย่างเดียวหวังว่าลูกคงจำได้สำหรับพรรมบาทสมเด็จพระเยูีหัว วันนั้นที่พ่อเข้าไปพบกับพระองค์ตอนหนึ่งพระองค์ทรงตรัสว่าท่านหญิงมิภาวดียังมีความห่วงใยในพระองค์มากท่านนี้ก็เพราะอะไรเพราะว่ามาเตือนอยู่เสมอขณะที่พระองค์ทรงประทับพระทรงตรัสรู้สึกว่าเหลวซ้ายแหลกขวา แล้วก็ทรงถรัสว่าเวลานี้หายไปการที่พระบาทสมเด็จพระย่หัวทรงทราบว่าท่านหญิงมิภาวดีมาเยี่ยมเสมอแล้วก็ตักเตือนเสมอจุดนี้ขอบัรดานลลูกรักจงจำให้ดี ว่าความรู้สึกอย่างนี้จะมีขึ้นมาได้นั่นก็คือผู้คนผู้นั้นจะเป็นใครก็ตามจะต้องมีอารมณ์เข้าถึงทิพย์จักรกุญญ์คือมีอารมณ์เป็นทิพย์มีความรู้สึกทางใจร้ายกับตาทิพย์ในเมื่อท่านได้ทิพย์จักรกุญญนก็มีโอกาสรับสัมผัสได้ นี่สนแสดงว่าพระบาทสมเด็จเชอ่หัวทรงมีพระราชภาระคิตมากเรื่องของพระองค์มีเรื่องกวนทั้งกายและก็กวนทั้งใจเรื่องที่กวนนี่ก็กวนทุกอย่างอย่างที่บรรดาลูกๆท่านหลายจะไม่มีโอกาสประสบการรบกวนอย่างพระบาทสมเด็จพระเจอ่หัวเลยกลางวันก็ไม่ได้พักกลางคืนก็ไม่ได้พัก มีเวลาอยู่นิดเดียวพระองค์ทรงทำโดกรรมฐานและก็ทำได้ดีอย่างพวกคนประเภทนี้ควรจะลอกแบบเขาไว้การทำเรียนแบบการลอกแบบการทปฏิบัติตามท่านในด้านของความดีไม่ใช่ความเสียเป็นผลกำไรที่เราไม่ต้องรือฟื้นเอง วิธีปฏิบัติของพระองค์ที่พ ร, ระองค์ทรงเล่าให้ฟังดูมันว่าพระองค์เป็นบุคคลที่ไม่มีเวลาอย่างพ่อเคยพูดไว้เวลาใดถ้ามีโอกาสว่างนิดหนึ่งก็ใช้อารมณ์ฟังเทพว่างวินิจฉัยทมบ้างในบางขณะที่พระองค์จะทรงเสด็จพระราชดำเนิน ไปรอบรอบพระราชฐานที่พักอันนี้พระองค์จะตีเวลาว่าจะเดินกี่ชั่วโมงถ้าเดินหนึ่งชั่วโมงเอาเทปสะายไปด้วยแล้วก็ฟังสองหน้าถ้าเดินสองชั่วโมงก็ฟังสี่หน้าเทปอย่างนี้รู้สึกว่าพอดีเดินไปกับธรรมแล้วก็จิตเมื่อเราได้ฟังเสียง จิตมันก็จะอยู่ที่เสียงมากกว่าที่จะพุ่งส่านไปอยู่ในที่อื่นเริีญาณวัดนี้ส่วนหนึ่งที่บรรดาลูกรักควรจะฝึกฝนใจให้มากพยายามปฏิบัติตามพระองค์ให้มากเวลาบวชชาพระองค์ก็ส่งสมาธิทำสมาธิและวิปัสสนาในระยะนั้น เวลาที่สนเด็จบรรพมก็ส่งฟังเทพเป็นอันว่าพระองค์จะไม่ยอมให้เวลาที่ว่างอยู่เสียเปล่าในไปในด้านของความดีจะพยายามหาทางบีบบังคับอารมณ์จิตให้อยู่ในขอบเขตของความดีคือฟังเสียงธรรมะขณะใดที่จิตสนใจในธรรมพระพุทธเจ้ากล่าวว่าขณะนั้นจิตย่อมว่างจากกิเลส สำรับที่ปิจิตรพญยานที่พระองค์จะทรงได้ก็คือการเจริญสมาธิธรรมดาเมื่อจิตทรงอยู่ในอุปจารสมาธิที่ปิจิตรุยานก็ปรากฏเองเรื่องนี้รูปต้องมีความขยันหมัน่นเพียรมีความสนใจให้มากเรียกันว่าเป็นการปฏิบัติแบบเบาๆแต่ว่าได้ผลดีมาก เป็นอนุวาลีบริการหนึ่งการเจริญพระกรรมฐ า, านของพระองค์นี่ถ้ามีเสียงอะไรรบกวนก็นโลกโหลดทราบอาคารรับรองของตะเวนเชนแดงเขตแปดติดอยู่กับถนนรถที่วิ่งมาเสียงอาจจะเข้าไปในเครื่องบันทึกเสียงได้ เพราะว่าพ่อถือว่าการเดินทางก็จะหากำไรด้วยการนำเรื่องต่างๆมาเล่าให้ลูกฟังเลูกทุกคนเป็นคนตั้งใจอยู่ในขอบเขตของมหากุศลและก็ทุกคนมีความมุ่งหวังพระนิพพานเวลาที่พ่อจะบันทึกมันจะดึกแสนดึกเพียงใดก็ตาม พ่อไม่ได้คำหนึ่งทพีงร่างกายเพราะความรักในลูกลูกดีพ่อก็ต้องเห็นใจลูกเมื่อลูกเสียสละได้ทุกอย่างพ่อก็ต้องเสียสละเพื่อลูกได้เป็นอันว่าการเจริญสมาธิของพระองค์อันดับแรกคงจะตั้งพระไทยมู่สมาธิปันชาสมาบัติบทใดบทนี้ เมื่อการที่พ่อเข้าไปพบกับพระองค์เมื่อวันที่หนึ่งมีนาคมสองพันห้ารอยี่สิเ็ดตอนนั้นพระองค์ทรงตรัสว่าการทำสมาธิเวลานี้ไม่ม่งหวังจุดใดจุดหนึ่งโดยเฉพาะปล่อยไปตามสมายจะถึงไหนก็ใช้ได้เป็นที่พอใจจริยาแบบนี้ลูรักเว้นจริยาที่ดีที่สุด แล้วพ่อเองก็เคยตกอยู่ในความหวั่นไหวมามากแล้วแล้วก็ยุ่งยากใจเพราะการบังคับจิตต้องการจะแ้่ในชั้นนั้นได้ ช, ชั้นนี้แต่ในที่สุดแทนที่มันจะดีมันก็กลับเหลวสู้การปล่อยอารมณ์ใจการทรงสมาธิและพิจารณากรรมฐ า, านนั้นได้สมถะภาวนาหรือวิปัสสนาภาวนาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ดี ถ้าจิตเราปล่อยไปตามสมบายว่าจะถึงชาไหนก็ช่างเมื่อถึงไหนพอใจแค่นั้นอย่างนี้อารมณ์ชาและวิปัสนาญาณที่เข้าถึงใจจะมีการส่งตัวและในที่สุดก็จะสามารถตัดกิเลสไปสมุทเตบะหัน รือไต่กิเลสถ้ยางเด็กขาดกิเลสไม่คำเรลึเรียกว่ามีอารมณ์จิตเข้าถึงผลิภานได้แน่นอน <c oughs> วิธีปฏิบัติแบบนี้ลูกต้องพยายามปฏิบัติให้มากคำ่ามากหมายความการเว้นจากการงานไม่ยามว่างไม่ควรให้โอกาสปล่อยไปในเรืการหนึ่งสิ่งที่บรรดาโลกและทุกคนสงสยัยส่วนใหญ่ ว่าบางทีภาวนาไปว่าพุทโธธรรมโมสังโฆเป็นต้นพอจิตเคริ้มปรับเดียวมันกลับจับอย่างอื่นมาว่าแต่ว่าอยู่ในขอบเขตของธรรมะและวิปัสสนาอย่างนี้หลายคนอาจจะตกใจคิดว่ามลมเราฟุ้งซ่านไปพ่อก็ขอแนะนำว่าความจริงถ้าจิต จิตตกเขาถึงอุปจาระสมาธิเวลานั้นอารมณ์มันเป็นคิดมันย่อมจะรู้ว่าการตัดกิเลสของเรานี้จะควรตัดกิเลสในกรณีใดๆฉะนั้นจิตจึงหันปล่อยทิ้งของเก่าจับสิ่งใหม่เข้ามาซึ่งมันเป็นประโยชน์กว่าที่จะเห็นได้ว่าอารมณ์จิตประเภทนี้จะเกิดจะคนส่วนมาก แต่มักจะมีความรู้สึกว่าผิดเป้าหมายแต่ความจริงไม่ผิดเพราะตอนนั้นอารมณ์ปัญญาไม่เกิดขึ้นต้อำนา่ของความเป็นทิพย์เสมาธิของจิตฉะนั้นการปฏิบัติก็ขอบนดูาตารกรักทั้งหมดจงพยายามปฏิบัติเอาอย่างพรมบสาสมเด็จพระจุลจุมพลและบุคคลอีกคนหนึ่ง ที่ข้อจะพึงพูดถึงนั่นก็คือมอมหลวงวรวัตรนวรัตที่เราอาศัยกำลังแรงความเมตตาของท่านทิชกบีท่านผู้ น, นี้ก็มีความดีที่ลูกคนจะปฏิบัติตามนั่นก็คือความเมตตาปราณีการอบอ้อมอริสนใจในกิจการงานทุกอย่าง เป็นคนตัวเล็กแต่ว่ามีงานใหญ่รับภาระหนักมากคนที่มีคนงานมากๆไม่ใช่ว่าจะรับหน้าที่เฉพาะเรื่องของราชการอย่างเดียวก็หาไม่คนภายในทะเละบกแวงกันมาเขาก็วิ่งหาท่านผู้อำนวยการผู้อำนวยการก็คืองานกระโถนทองพรโรองและก็ทองโลกใหญ่ ที่คนทั้งหลายจะบวนเขละลงไปในกระถนเคละก็คือนําลายกระถนจะรับแต่ความหนักกระถนจะรับแต่ความเหม็นความสขปรกแต่ได้ว่าถ้าบคุคคลผู้คุมกระถนดีคือใจที่คงกายดีเมื่อเขาบวนมาให้เราก็โยนทิ้งไปมันก็หมดเรื่องเช่นเดียวกระหม่อมหลวงวรวัต์นวรัต ท่านถนัดในการโยนกระถนทิ้งฉะนั้นเป็นอนุวาถ้าโลกรัคนหลายจะพึงนำจริยานี้มาปฏิบัติก็เป็นการดีอีกประการหนึ่งท่านมอมหลงวรวัตรนอกจากจะมีความเมตตาปราณีคับพวกเราจะไม่ว่าวันนั้นวันแรกท่านเช่าเรือพันสองร้อยบาท วันที่สองข้อจำไม่ได้ก็คิดว่ากำลังเงินที่เชาต้องเกินกว่าวันก่อนและอาหารการบริโภคทั้งการ บ, บริการเราทั้งหมดที่พักอาศัยก็ บ, บริการทุกอย่างลุงเมยหรือโผเมเยเจ้าคนมาโสดใชงไะมมาโสมลืมเชื่อเสีแล้ว เย้าคุณมัตสุสิงห์นนาทเมื่อเวลาจะกลับเอาเงินไปมอบท่านในนามคณะลูกศิษย์ของพ่อสี่พันบาทช่วยค่าเรือช่วยค่าอาหารแต่ว่าท่านกลับส่งเงินนั่นมาจะไหวกับพ่อบอกทุกสิ่งทุกอย่างเป็นภาระของกับผมผมทำด้วยศรัทธาปรารถนาเรื่องบุญ จะได้เงินจำนวนนี้ผมขอถวายหลวงพ่อเพื่อเป็นค่าเดินทางต่อไปในอีกรายการหนึ่งบอมหลวงวรวัตรเป็นคนมีความกระตันยูรู้คุณแต่ท่านผู้ใหญ่คือบิดามารดาแล้ว่าบุบคคลที่เป็นผู้ใหญ่เคยเป็นครูบาอาจารย์ท่านคนนี้ไม่ยอมค้าและก็ไม่ยอมดูถูกดูหมิน่นรักษาวาจาที่สั่งทุกอย่างไม่ครบถ้วน เม้กราทังเป็นคนปฏิบัติตนได้ดีท่านหน้าที่ของราชการฝ่ายครอบครัวและฝ่ายธรรมะเจรายายานี้ลูกรักทั้งหลายจงจำไว้เพราะมันเป็นเสน่ห์ของเราความดีเกิดขึ้นกับเรามากคนเขาก็รักเรามากแต่ความดีเกิดขึ้นกับเราน้อยคนเขาก็รักเราน้อย เมื่อคนรักน้อยคนเกลียดมากเราก็มีความทุกข์กายทุกข์ใจมากกว่าความสุขเดินไปพบคนที่เรารักแลือเขารักเราเราก็ยิ่งแย่แจ่มใสมีความชื่นบันแต่ไปพบคนที่เกลียดเราเมื่อไหรเมื่อนั้นแหละความโรุ้มใจกำเริบใจมันก็เกิดขึ้นเราจะหาความสุขไม่ได้ความสุขที่จะมีมันได้ก็คือหนึ่งเมตตาความรัก สองกรุณาความสงสารสามมุทุตามีจิตอ่อนโยนไม่อิจฉาที่สัญญาใครสี่เมฆาวางเฉยมอารมณ์ใดไม่เกิดขึ้นกระทบใจล้วก็เฉยไม่โตตอบเป็นอารมณ์ที่เราไม่ชอบใจจุดนี้เป็นจุดสร้างความรักให้เกิดขึ้นถ้าบุคคลใดมีพรมหมหันสีครอบุน บุคคนนั้นย่อมเป็นที่รักของคนส่วนใหญ่หรือว่าทุกคนบุคคลใดมีโพรมิหารสี่ครอบทวนผู้คนนั้นก็มีศีลบริสุทธิ์บุคคลใดมีพรมิหารสี่ครอบ่วนศีลทบทวนศีลบริสุทธิ์จิตใจก็เยือกเย็นฌานสมาบัติก็เกิดบุคคลใดมีโพรมิหารสี่ครอบทวนไม่มีฌานสมาบัติทีอารมณ์เย็นมีปัจนานญาณคือปัญญาเมื่อเกิด จุดนี้แหละที่จะทำให้พวกเราทุกคนเข้าถึงซึ่งมพุนิพานขอลูกรักของพ่อทุกคนจงปฏิบัติตามนั้นอย่าทอดทิ้งความดีที่เราทำไว้จงรักษาความดีนี้ไว้เหมือนเกลือรักษาความเค็มสำหรับวันนี้มองดูนาฬิกาหมดเวลาเชล็จล้ดี รับฟังในตอนต่อไปหน้าที่สองสำหรับวันนี้ขอความสุขสวัสดิ์ีพัฒนาบุคคลสมบูรณ์ผลจงมีแด่บรรดาลูกรักทุกคนสวัสดี